ที่พระจทรงสอนให้บุคคลพิจารณาให้เห็นความจริงตามพระตรีลักษณ์สามารถบรรเทาความยึดมั่นถือมัน่นในการทั้งห้าว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราลงไปโดยมีเป้าหมายอยู่ที่การขาจัดความรู้สึกเหล่านั้นหมดไปอย่างสิ้นเชิง แต่ว น, นั่นคือขั้นตอนสูงสุดในการประพฤติปฏิบัติปัญหาสำคัญจึงอยู่ที่การพยายามหาความรู้ความเข้าใจที่แท้จริงในขันทั้งห้าประการแต่ก็มองให้เห็นถึงความจริงตามที่ทรงแสดงไว้ว่าไม่เชี่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาแล้วตรวจสอบดูที่จิตของตัวเองว่า ความรู้สึกว่าเป็นของเราความรู้สึกเป็นเราความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนของเราได้ ล, ลดลงไปบ้างหรือไม่ซึ่งตระหนการลดนั้นเือสังเกตว่าบางครั้งเป็นการลดโดยการพิจารณาเทียบเคียงเห็นคุณค่าของสิ่งหนึ่งว่ามีสูงกว่าการกระทาอย่างหนึ่งแล้วก็มีการลดของเราคือแปรสภาพของเราไปในฐานะอย่างอื่น เป็นการเอาทรัพย์สินเงินทองของตนไปบริจาคเป็นสาธารณประโยชน์บำรุงพระพุทธศาสนาเป็นตน้นซึ่งว่ากันตามความเป็นจริงทั้งสองช่วงก็ยังเป็นของเราหรือทรัพย์สินที่บริจาคไปก็ด้วยความรู้สึกว่าเป็นของเราและสิ่งที่บริจาคหรือสถ า, านที่รับบริจาคเราก็ยังรู้สึกว่าเป็นของเรา แต่ว่าความของเรานั้นได้ถอยห่างจากจิตของตัวเองออกไปคุณประโยชน์ที่จะได้จากทรัพย์สมบัติเหล่านั้นจะมีลักษณะติดตัวคือเป็นสมบัติติดตัวตกแต่งภาพชาติของบุคคลให้ประณีตจริงขึ้นเพราะแนวการบํบราเพ็ญบารมีจึงมีลักษณะขัดเกลืจิตใจของผู้ปฏิบัติได้มีความประณีตขึ้นไปเรื่อยๆ ก็คงมีความเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราอยู่แต่เราถ้าตรวจสอบสังเกตถึงความรู้สึกเหล่านี้ที่มีอยู่ภายในจิตใจของท่านเหล่านั้นแล้วก็แสดงออกมาก็เป็นการที่เห็นว่าความรู้สึกว่าเป็นเราน้อยความรู้สึกเป็นของเราน้อยตรงความรู้สึกว่าเป็นเราน้อยตรงหรือความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนของเราน้อยตรง จะเรามีฐานะตำแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ในสังคมแต่ก่อนนั้นมีความรู้สึกสำคัญมั่นหมายว่าเมื่อไปในสถานที่นั้นจะต้องได้รับการยกย่องให้เกียรติอย่างนั้นอย่างนั้นพอไปถึงได้รับการยกย่องการให้เกียรติตามที่คาดหวังเอาไว้ก็จะเกิดความปีติประโมทมีความพอใจยินดีในการต้อนรับในลักษณะนั้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าใจมันไหลเข้าสู่กระแสะของตันหาไปเฉยๆเป็นโปโนโปวีกาก่อให้เกิดความมีความเป็นที่สืบเนื่องกันไปจิตพัวพันสยบจิตหมกปุ้นอยู่ด้วยความเพลิดเพลินความกำหนัดความยินดีในการได้รับสถานะเหล่านั้นแต่ถ้ามีการยกยอป่อปั้นขึ้นมันก็เพลิดเพลินยิ่งขึ้นไปในเรื่อ ง, องนั้น แต่ต่อมาเมื่อมีการประพฤติปฏิบัติมาถึงระดับหนึ่งตัวความรู้สึกว่าเราเป็นนั่นเป็นนี้มันลดลงมันเข้าใจว่าแต่ความเป็นนั่นเป็นนี้ที่จริงมันเป็นในจุดที่เราต้องรับผิดชอบในขณะนั้นๆตัวอาจจะมีตําแหน่งใหญ่โตอยู่ที่หน่วยงานของราชการแต่กลับไปถึงบ้านมันก็ไม่มีอะไรอย่างนั้น เราา จ, จะเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องของบุคคลภายในครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับเราในฐานะนั้นนั้นความรู้สึกก็เปลี่ยนไปคือไปยอมรับสถานะที่เรามีภายในครอบครัวแล้วก็ไม่ติดใจในฐานะตําแหน่งที่เรามีอยู่ภายในสถาบันจะเป็นการแสดงให้เห็นได้ว่ามานะนั้นได้ลดลงไปอยู่ในระดับหนึ่ง ที่ชยคุ้มครองจิตใจของบุคคลลอานั้นให้ไม่ฟูขึ้นด้วยอำนาจของความโกรธเวลาคนอื่นเขาไม่ยอมรับนับถือสถานะตนหรือว่าคนอื่นก็ถือว่าในขณะนั้นตนก็เป็นอีกอย่างหนึ่งคือเล่นละครอีกฉากหนึ่งอีกบทหนึ่งระนันะนบหนึ่งลักษณะความรู้สึกเหล่านี้จะต้องอาศัยการสังเกตการตรวจสอบดูที่ใจตัวเอง ก็ต้อง้เห็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่เป็นการลดละความรู้สึกดอกนั้นดอไปแต่ในการสอนนั้นทรงมุ่งสอนในรูปของการถ่ายทอนเอายอย่างจริงจิงจังอย่างที่ทรงสอนแก่ท่านปัณฑะพุีธีเือเอาขันธ์ทั้ง5ขึ้นมาพูดแล้วก็วิเคราะห์แยกแยะขันธ์ทั้ง5้าตามความจริงให้ปรากฏแก่ใจ จนในช่วงสุดท้ายเป็นสมปัญญาวังเกิดขึ้นภายในใจของท่านปัญจวัคคีประทัดกระแสของตัณหามาณทิจิลงไปได้แต่นั่นก็เป็นกา ร, กรทาให้ท่านเป็นพระอระหันต์การเดินทางของจิตบนเส้นทางที่พระหันทั้งหลายได้เดินนั้นเราก็เดินไปตามกองที่เราจะเดินได้ แต่ประเด็นที่สำคัญก็คือต้องเห็นการจางไปคลายไปบรรเทาไปลดไปของตาถาอานะ ท, ที่ดังกล่าวบังกรได้พูดถึงเรื่องของวิญญาณวิญญาณนั้นในความหมายทงางศาสนาทั้นใช้ยอยู่ 3-4 แห่งด้วยกันคือวิญญาณธาตุได้แก่ธาตุรู้ที่มีอยู่ภายในใจคนวิญญาณขันธ์ก็คือการรับรู้อารมณ์ที่ผ่านมาทางประจาสัมผัส ชื่อที่เรียกเต็มๆนั้นเรียกว่าความรู้ทางตาความรู้ทางหูความรู้ทางจมูกความรู้ทางลิ้นความรู้ทางกายและความรู้ทางใจวิญญาณอีกประการหนึ่งเป็นปฏิสุทธิวิญญาณเป็นการเรียกสภาพของจิตซึ่งประกอบด้วยกิเลสและกรรมสร้างขึ้นมาเป็นรูปปฏิสุทธิวิญญาณหรือกำเนิดในครบในชาติต่างๆ ตามกุศลอกุศลที่ปรุงแต่งจิตในขณะนั้นนั้นจะทำให้ท่านไปอุบัติในสถานที่ที่เราเรียกว่าพบแต่ในที่นี้ทรงช้กับวิญญาณทิจิคือที่ตั้งของวิญญาณซึ่งก็หมายถึงพบคือที่อยู่ของบุคคลที่วิญญาณไปถือปฏิสนธินั่นเองเตงที่เคยบอกมาแล้วว่าธรรมะเวลาสูงขึ้นไปนั้นจะ เป็นการพูดเป็นขนาขน า, ขนาตัวแล้วคล้ายๆกับเรื่องเยอะเหลือเกินที่จริงไม่เยอะอะไรเป็นปฏิกิยาตามธรรมชาติธรรมดาที่เรามีอยู่สัมผัสกันอยู่ในชีวิตประจำวันวิญญาณเหล่านี้ที่จริงมีความเกี่ยวเนื่องถึงกันตัววิญญาณธาตุนั้นเป็นเชื้อของความดีหรือความไม่ดี มีมากหรือมีน้อยภ า, ายในจิตใจของบุคคลที่สร้างลักษณะนิสัยของบุคคลให้แตกต่างกันแต่การที่คุณภาพของวิญญาณธาตุจะดีหรือไม่ดีนั้นก็อยู่ที่คุณภาพของปฏิสนธิวิญญาณคือตอนถือปฏิสนธิว่าปฏิสนธิด้วยกุศลหรืออกุศลเขาเรียกว่าตราเหตุทวิเหตหมายความว่ารถือปฏิสนธิด้วยใจที่ของข้าว จะมีความแหลมคมในด้านเหตุผลในด้านสติปัญญาด้านภูมิธรรมวาสนาบา ร, รมีของบุคคลตนนั้นก็ทําให้คุณภาพของวิญญาณธาตุนั้นเด่นคนที่เด่นมากๆเราเรียกว่ามีพรสวรรค์ซึ่งจานวนศาสนาเรียกว่ามีปัญญามาตั้งแต่กําเนิดดูแล้วคล้ายๆกับท่านเคยเรียนมาจากไห ในแง่ของสังสารวัตรก็คือเป็นการเรียนมาในสังสารวัตัเดเกๆคล้ายๆกับปัญญาที่แหลมคมซึ่งเกิดขึ้นแก่พระโมสดโพธิสัวตว์พระเด็กอายุขนาดนั้นมีความรับรู้แตกแขนงอย่างนั้นถ้าเอาเวลาที่ไหนมาเรียนเพราะเพิ่งเกิดมาแต่นั้นก็คือการเรียนมาในชาติก่อนพบก่อน สติปัญญาของท่านจึงโดดเด่นกว่าบุคคลทั้งหลายเพราะว่าสร้างปัญญาปรปีมาเพราะคุณภาพของวิญญาณท่านพันญากายเป็นตัวกำหนดวิญญาณขันคือว่าเวลาเราเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นริมรส ถ, ถูกต้องเย็นร้อนอดแข็งในชีวิตประจำวันของเราคนนี้จะสังเกตได้ว่า ในอารมณ์เดียวกันในเรื่องเดียวกันและในกาลเทศะเดียวกันแต่พื้นฐานทางวิญญาณธาตุของบุคคลแตกต่างกันการรับรู้สิ่งที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสจึงไม่เหมือนกันอย่างรากได้ลึกเข้าใจสิ่งเหล่านั้นได้ลึกซึ้งแตกต่างกันจึงอาจจะไม่ต้องมองเลยไปจนถึงวิญญาณธาตุก็ได้ เราขณะวิญญาณาขันธ์ที่รับรู้อารมณ์ที่เก็บสะสมไว้ภายในจิตในปัจจุบันเรื่องอะไรที่เรารับรู้ไว้มากสะสมไว้มากเรียกว่ามีประสบการณ์มากพอได้เห็นได้ยินเรื่องเหล่านั้นเราจะมีความรอบรู้ทุกแง่ทุกมุมของสิ่งตอบนั้น ท, ท, ทั้งที่มีเพื่อนรุ่มฟังอยู่ด้วยเป็นอันมากแต่ว่าพอดีท่านเหล่านั้นมีประสบการณ์ในเรื่องนี้ไม่มาก ท่านก็รู้เท่าที่เขาบอกให้ฟังในขณะนั้นๆความก็ใจลึกซึ้งก็ไม่มีเพราะตัววิญญาณอาขันที่เกิดการรับรู้สิ่งทั้งหลายที่เราเรียกว่ารู้จำรู้แจ้งรู้จริงคือรู้บางอย่างมันก็รู้จำๆกันมนาะ ไม่เข้าใจอะไรได้ลึกซึ้งเขาบอกอะไรมาก็เท่านั้นแต่ไม่ได้มองเห็นในแง่มุมต่างๆเรียกว่าไม่ได้มองได้รอบด้านการมองได้รอบด้านในท่นานใช้คำว่า ป, ป ร, ริญญาเรีว่ารู้รอบด้านหมายความว่าถ้าเป็นวัตถุสิ่งหนึ่งก็รู้ทุกรอบตัวของสิ่งเหล่านั้นตลอดถึงเนื้อหาของความเป็นสิ่งเหล่านั้น ความบิญญาณในขันที่เกิดขึ้นทำให้ได้เห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นริมรสถูก ต, ต้องยินด้อ น, นอนแขงในชีวิตประจำวันของบุคคลคือสังเกตว่าแม้แต่คำพูดที่เราพูดกันว่าความเทศม่วงนอนดูหนังดูละครตา ร, ระวางก็วิ่งได้ใช้จากการฟังหมายความว่าโสตวิญญาณคือความรู้ทางหู แต่เอาข้าจริงไม่ใช่ข้อยุติไม่ใช่หลักมาตรฐานอะไรไม่เกิดไปอยู่ที่ว่าใครฟังใครดูบางท่านร่วงนอนดูหนังดูละครในระหว่างนั้นว่าใครฟังใครดูคนบางคนอาจจะดูหนังละครแล้วก็ง่วงนอนไปเลยหลับไปเลยก็ได้ซึ่งมีอยู่จํานวนไม่น้อย คนบางคนนับความเทศได้รุ่งความเทศละตาสว่างอจใจมีความสว่างสวยมีความปิติประโมทมีความสุขที่ได้ฟังเรื่องเหล่านั้นก็ได้อะไรเป็นตัวกําหนดก็คือพื้นฐานทางวิญญาณธาตุที่บุคคลเหล่านั้นได้เก็บสะสมเอาไว้มีความแตกต่างกันอย่างในคนสมัยโบราณ่ยที่ท่านเล่าไว้ในเรื่องสะดุ คนบางคนได้ข่าวนะักปราชบางเกิดขึ้นมีคำคมที่เป็นสุภาษิตอยู่เพียงสามสคำท่านลงทนลงแรงรอนแรงเดินทางไปด้วยความเหนื่อยยากลำบากเพียงเพื่อได้ฟังธรรมะสคำเท่านั้นเอง น, นันแสดงให้เห็นถึงพื้นฐานทางวิญญาณนะท่าน แล้วอย่างที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือว่าในชีวิตประจำวันของเ ร, เราที่ได้ยินได้ฟังการโฆษณาประชาธิปันเชิญชวนชักชวนให้ไปซื้อหาสิ่งต่างๆของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆคนคลควังแล้วก็ฟังไปเลยไม่ไม่ใส่ใจไม่สนใจไม่ให้ความสำคัญแก่คำโฆษณาเหล่านั้นบางคนก็เพียงแต่สนใจบางคนไปศึกษาในรายละเอียด บางคนอาจจะลงไปถึงกระดูบางคนอาจจะลงทนถึงซื้อหาสิ่งเหล่านั้นนี่แสดงว่าพื้นฐานนั้นไม่เหมือนกันพื้นฐานในช่วงก่อนแล้วก็ช่วงขณะนั้นนั้นไม่เหมือนกันเพราะการที่พระโพธิสัตว์ได้เจ้าชายติเตชะได้ไปเห็น ิงที่เรียกว่าเทวทุตคือคนแก่คนเจ็บคนตายสมณะแล้วก็มองเป็นตะข่ายยงใหญ่เชื่อมต่อกันเป็นวัฏจกักรไม่มีที่สิ้นสุดกลายเป็นวงจรที่หาทางออกไม่ได้คือเกิดแก่ตายกลายเป็นสภาวะทุกข์ซึ่งครอบงำสรรพชีวิตทั้งหลายในโลกเอาไว้ภาพนั้นที่จริงมันเป็นภาพธรรมดาจะแสนธรรมดาไม่รู้จะธรรมดาอย่างไรดี เพรจริงๆแล้วคนเราเราก็เห็นกันคนแ ก, ก่คนเจ็บคนตายเราก็แก่เราก็เจ็บแต่เราก็ตายอยู่ทุกขณะจริงๆเราก็รู้เราก็เห็นแต่คุณภาพทางวิญญาณของเรามันไม่ใช่ระดับท่านคือคนระดับท่านนั้นท่านสร้างบา ร, รมีมาจนเต็มี๋ยวก็ดูเลยไปจนถึงตรงอื่นลองสังเกตเช่นตอนที่มีพิธีวัดปะมงคลแรกนาข ที่คนทั้งหลายไปดูการแรกนากันหมดแต่ท่านก็ไปนั่งอย่าที่คนว่าโดยลำพังบรรยากาศมันชวนให้นั่งสมาธิส ง, งบต่ก็นั่งสมาธิไม่นานนะฮะชั่วเขาแรกนานแต่นันเองได้บรรลุถึงปฐมฌานนั่นก็คือแสดงกลับมาตั้งแต่โ น, น้นตั้งแต่ปฏิสนธิวิญญาณดีตั้งแต่วิญญาณธาตุดี แล้วก็ที่ตั้งของวิญญาณก็ดีทําให้วิญญาณอาการคือการรับรู้ในชีวิตประจําวันของทตนนั้นเป็นสาระเป็นแก่นสารเข้าถึงเนื้อหาที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้นตอนต้นสาธุชนทั้งหลายจะเห็นได้ว่าทําสิ่งที่ทําให้คนเป็นพระรหันต์มันก็ไม่มีอะไรก็คือร่างกายที่ต้องแก่เจ็บตายนั่นเอง อย่างเช่นสิ่งที่พระปัญจวัคคีย์ได้รับการสั่งสอนจากพระพุทธเจ้าแล้วเกิดรู้เห็นเป็นพระหัน์ขึ้นมาแล้วคือกณรหน้กก็คือชีวิตชีวิตก็คือสิ่งที่จะต้องแก่ต้องเก็บต้องตายแต่ท่านปัญจวัคคีย์ท่านมองจากสิ่งที่ปรากฏในปัจจุบันย้อนก็สู่อดีตสาวก็ไปสู่อานาคตกำหนดเห็นเป็นหนึ่งเดียวคือแก่เจ็บตาย ไม่มีสาระแกนสารอะไรที่แท้จริงแต่น้องก็ผ่านการศึกษาในแนวปริยัตมาช่วงหนึ่งจากพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนโดยสรุปไปเห็นว่าขันธหานั้นเป็นอนัตตาถ้าขันธหาเป็นอนัตตาแล้วขันธห้าก็จะไม่เป็นไปเพื่ออผัยศาสตราลายก็จะได้ ตามที่เราหวังก็สามารถจะตั้งความหวังว่าขอขาน้าของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยอะไรที่เราช อ, ชอบเราก็ตั้งความปรารถนาเอาอะไรไม่ชอบก็ตั้งความปรารถนาให้หลีกหายไปให้ทำลายไปให้สูญหายไปอย่าเกี่ยวข้องกับเราแต่ก็จริงมันตั้งไม่ได้หรือไปตั้งความหวังว่าอย่างนั้นไม่ได้เพราะอะไรเพราะเป็นคนละเหตุคนละปัจจัยกัน ใกล้ๆก็บคนบางคนที่ฝนตกก็แช่งฝนนั้นก็ด่าไอ้ฝนตกมันก็คนละเหตุปัจจัยกันฝนแรงมันคนละเหตุปจัจจัยกันกับฝนตกแล้วที่สาคัญย่างยิ่งก็คือฝนตกหรือฝนแรงก็ตามมันเป็นคนละเหตุปัจจัยกันกับเราคนละเรื่องกันวันถึงเหตุปัจจัยให้ตกเข า, ขาก็ตกแม้เราจะอ้อนบอนขอร้องอย่างไงเข า, ขาก็ตก บุเขาจะแรงแม้เราจะทำพิธีแห่นางแมวทำพิธีบูชากันอะกันต่างเขาก็แรงอยู่ทำยัยงไงบางคนเลยเรื่องกันกรนี้จะเห็นได้ว่าถ้าบุคคลได้เข้าใจถึงความจริงที่แท้จริงของขันตั้งห้าได้เนี่ยอย่างน้อยโดยหยาบๆยาโดยหยาบหยาบที่ทำให้จิตใจปรวงเบาสบายก็คือไม่ ไปสำคัญมั่นหมายในลักษณะเล็งผลเลิศบาคนนั้นต้องเป็นอยนั้นคนนี้ต้องเป็นอย่างนี้คนโน้นต้องเป็นอย่างน้นเสียงต้องเงียบฉันจะนอนคนอื่นส่งเสียงดังไม่ได้ก็จะบรรทบบางลงไปก็ถือว่าเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องของคนนั้นจิตใจเราไม่เอือ้อมออกไปไข ว, ว่คว้าแสวงหาสิ่งที่เป็นปนัญหาให้เกิดขึ้นแก่จิตใจ คือสังเกตว่าความคิดในลักษณะนี้มันก็เป็นเข้าถึงหลักลักษณะของอนัตตาแห่งธรรมอย่างหนึ่งว่าเราบังคับเขาไม่ได้ก็เป็นในที่เขาเป็นเราก็เป็นในที่เราเป็นการเล็งผลเลิศในลักษณะต่างๆตลอดถึงสังคมต้องเป็นอย่างนั้นรัฐบาลต้องเป็นอย่างนี้บ้านเมืองต้องเป็นอย่างนั้นการจราจรต้องเป็นอย่างนี้อะไรมันปวดหัวเปล่าไม่มีทางอะไรจะไปทําอะไรก็ได้ พะเราไม่มีอำนาจและ ม, ม, มีหน้าที่สมมติมีอำนาจหน้าที่มันก็ไม่มีเดชานุภาพจะดุลบรรดาอะไรให้เป็นไปตามที่ต้องการจนถึงพระพุทธเจ้าได้รับสั่งตอกย้ำตักเตือนให้พุทธศาสนิกชนได้คิดว่าถ้าสิ่งทั้งหลายนั้นเป็นไปตามที่เราต้องการหรือเราต้องการอะไรก็เป็นไปหมดทุกอย่างความเพียรของมนุษย์มันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร ความเพียนพยายามก็ไม่มีความจาเป็นอะไรแล้วถ้าหากว่าสัตว์โลกได้ตามที่ต้องการไปหมดด้วยประการทั้งปวงแล้วโลกมันก็ไม่ใช่โลกแล้วแล้วถ้าเรามองเห็นจากจุดนี้มันก็มองเลยเถิดก็ไปจนถึงเรื่องของศาสนาภฏีอ่านได้ไรือทั้งไปเพราะแนวความคิดของศาสนาปษีอ่านนั้นที่จริงเป็นการฝืนกติธรรมดาคนไม่ต้องใช้ความเพียนพยายามอะไรเลย แล้วก็ได้สิ่งทั้งหลายมาตามที่ต้องการในต้นกำลังรึกเกิดขึ้นสี่มุมเมืองโคหน้าตาเหมือนกันหมดแผ่นดินราบเสมอเหมือนกันหมดอายรต่ออะรเนี่ยคือเป็นเรื่องที่คนเขียนขึ้นคิดขึ้นโดยความเพ้อฝันละเลยข้อเท็จจริงที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดามันมีมนุษย์ไหนที่ทํากรรมมาเสมอกันจะรูปร่างเหมือนกันหมดมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว เราคนที่จะเหมือนกันหมดด้วยประการทั้งปวงไม่ผิดเพียนนั้นเพิ่งสังเกตว่ามีเฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองหรือคนที่เป็นพระโพธิสัตว์เท่านั้นและพระโพธิสัตว์ในชาติที่จะจสัตย์รู้เป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นจึงจะเหมือนกันโดยทั้งพระรูปพระกายและส่วนพระนามอากายท่านจะเหมือนกันนอานั้นไม่มีมนุษย์ไหนเหมือนกันเพราะยังไงกรรมที่ทําไว้จะมีความยิ่งความหย่อนกันอยู่เสมอ ผู้คนได้เข้าใจไอ้สิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงแล้วไอ้การตั้งความหวังที่ว่าให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นมันก็บรรเทาประปรางลงไปเพราะทําใจยอมรับว่าขันห้านั้นเป็นหน้าตาเพราะมันเป็นหน้าตามันก็เป็นอย่างที่มันเป็นเปลี่ยนแ ป, งปลงแปรโปรนแตกทําลายไปอย่างที่เ ป, เปลี่ยนแ ป, งปลงแปรโปรนแตกทําลายใ ก, กล้ๆกับพิธีภูเขาไฟระเบิด ที่ญี่ปุ่นก็ดีที่ฟิลิปปินส์ก็ดีผูกกวบไฟมันก็คือผูกควบไฟอะมันจะสงบไปอีกกี่พันปีก็ได้แต่บทมันมีเหตุปัจจัยให้ระเบิดมันก็ระเบิดขึ้นมาได้และเราก็ไม่สามารถตั้งความหวังได้นอกจา ก, กว่าหนีให้มันไกลที่สุดเท่านั้นเองพอชีวิตไว้ทรัพย์สินเงินทองอะไรที่พอหยิบฉวยได้ก็หยิบฉวยไปที่หยิบฉวยไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้หมดไปก็ดีกว่าที่จะพอาชีวิตให้มาตายกัน กลาวาในปลุกไฟไปด้วยนี่แต่ละอย่างนั้นที่จริงแล้วก็มีปรีชายานที่เกิดความเข้าใจถึงความเป็นหน้าตาของสิ่งเดล่านั้นอยู่ในระดับหนึ่งที่ช่วยให้บุคคลทําในสิ่งที่เขาควรทําไม่ทําในสิ่งที่เขาไม่ควรทํารรู้ว่าอะไรมันทําไม่ได้บังคับไม่ได้จะหยุดปเขาไฟไม่ระเบิดมันหยุดมันไม่ได้หยุดไม่ได้เราก็หนีก็นท่านั้นเอง เพื่อไม่ให้เกิดเป็นอันตรายแก่ตัวเองแต่ในชน่วงที่2ของความคิดที่รู้เจ้าส่งเสริมให้ท่านปัญจวัคีที่ว่าพระกานาเป็นอนัตตากานาก็เป็นไปเพื่ออภาสรรพตทั้งหลายจะไม่ตั้งความหวังว่าขอขานาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดจะได้เป็นอย่างนั้นเลยเนี่ยมันไม่ตั้งไม่ได้แล้วจากนั้นก็ทรงสอนในรูปของการพิจารณาเทียเคียงให้เห็นว่าท่านปัญจกัคียคิดอย่างไง มองขันหน้านั้นในลักษณะอย่างไรคณะเป็นของเที่ยงหรือไม่เที่ยงท่านตอบว่าไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข้ารับสั่งว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือสุขเล่าท่านบอกว่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้ารับสั่ถามว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดานั้นเป็นการสมควรไหมที่จะไปยึดถือว่านั้นเป็นของเรานั้นเป็นเรานั้นเป็นตัวตนของเราท่านบรรวาคีก็กลับทูลว่าไม่เป็นการสมควรเลยพระพุทธเจ้าข้า เึงสังเกตว่าเป็นการสอนเฉพาะขันท่าที่ปรากฏในปัจจุบันก่อนดูรูปดูเวทนาดูสัญญาดูสังขารดูวิญญาณกันมาโดยําดับแต่ที่ปรากฏในปัจจุบันให้เห็นว่ามันไม่เป็นทั้งของเราไม่เป็นทั้งเราไม่เป็นทัตัตนของเราการศึกษาการเรียนนั้นต้องเริ่มที่ปัจจุบันคือดูจี่ปัจจุบันอดีตมันก็อยู่ตรงไหนก็เราก็ไม่รู้นะเราก็ไปดูไม่ได้อนาคตมันก็ไม่มาไม่รู้จะเรียนมันยังไง ก็ดูกันเฉพาะที่ปัจจุบันแต่เมื่อเราเข้าใจปัจจุบันแล้วมันไม่มีอะไรที่ออกไปจากกฎของไตรลักษณ์ในกราบแล้วอดีตมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันมันเปลี่ยนเฉพาะกาลาเทศะบุคคลเท่านั้นเองแต่โดยสภาวะแล้วเนี่ยไม่ได้เปลี่ยน ใกล้ๆกไฟที่ร้อนเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนสภาวะของแกอาจจะเปลี่ยนร้อนมากร้อนน้อยออลุกไหม้ห อ, อะไรต่ใดก็ว่ากันไปนั้นเป็นรายละเอียดแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือร้อนเพราะฉันพวกสภาวะธรรมทั้งหลายซึ่งอยู่ในกฎของความแก่ความเจ็บความตายมันก็เป็นเช่นนั้นท่านได้เข้าใจถึงความจริงก็เช มองเห็นว่าคันหาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเล็วก็ดีประหนึ่ก็ดีอยู่ไกลก็ดีอยู่ใกล้ก็ดีขันห้ามันก็ศักแต่ว่าคันห้าแล่านั้นไม่ได้เป็นทั้งของเราไม่ได้เป็นทั้งเราไม่ได้เป็นทั้งตัวตนของเราประเด็นสําคัญที่ทวงใช้ก็คือคําว่าเอวเมตังยถาภูตังระมะปัญญาจะตตบางคนนี้อันเธอทั้งหลายพึ่เห็นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ ความจริงก็คือไม่มีอะไรเป็นของเราจริงๆไม่มีอะไรเป็นตัวเราจริงๆไม่มีอะไรเป็นตัวตนของเราจริงๆเมื่อเห็นได้อย่างนั้นแล้วจนมับบุคคลทั่วไปอย่างน้อยก็บรรเทากระแสของตัณหาในอารมณ์ทั้งหลายลงไปจะบ้างบรรเทากระแสก็มานะลงไปจะบ้างเราจะเห็นว่ามานะนะั้นมันทำให้หนัก ตัณหามันก็ทําให้หนักทิฏฐิยิ่งทําให้หนักใจเลยแต่ละอย่างเน้นหนักแล้วถ้าเราปล่อยเราลดเราละเราวางได้ไม่เอาตัวเองเข้าไปเชื่อมด้วยหน้าของตัณหาโดยหน้าของมานะโดยหน้าของทิฏฐิเห็นได้อย่างหนึ่งนะถ้าสามอย่างเนี่ยก็แย่แล้วเราเจะพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นสมมติว่าทรัพสมบัติแตกทําลายไปแต่พอดีไม่ใช่เป็นของเราหรือไม่เกี่ยวเนื่องในเราไม่ได้เป็นของญาติพี่น้องของเราคือแสดงว่าตัณหาไม่ได้เข้าเชื่อมกับการแตกทําลายของสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นก็แตกทํำลายไปตามเอกปัจจัยเราก็เป็นเรื่องของเราใจก็สามารถสงบได้โดยไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจไปริเวณนาการกลําคกวนไปด้วยประการต่างๆเพราะงั้นจึงสังเกตว่า แล้วก็จริงแล้วตัญหามานาะทิฐินีเเเเ่เราไปเชื่อมก็เองเราไปเชื่อมก็เองแต่เราไม่ไปเชื่อมข้าเราก็ไม่เป็นของเรานะอย่างใกล้ๆกับของที่วางอยู่ในร้านตลาดใครจะลักใครจะขโมยไปเราก็ไม่รู้สึกอะไรเป็นไวแต่ของที่เราไปซื้อ หรือหมายตาเอาไว้หรือว่าตกลงกันแล้วว่าจะซื้อของนั้นแล้วก็มีคนเกิดจกสวยไปตอนนั้นใจมันเกิดเอื้อมมาเป็นของเราไปแล้วว่าจะเกิดโกรธเกิดความเสียดายเกิดความไม่พอใจแก่คนที่ไปกระทำเช่นนั้นตลนโดยบูหานหนึ่งที่ทรงแสดงว่าเมื่อเก่าโดยสุดแล้วการที่จิตไปยึดปั้นหรือปั้นในขันต่งางนั้นเองเป็นความทุกข์ แน่นอนโดยพื้นฐานสามัญชนนั้นเราคงจะปล่อยวางความยึดมั่นถรือมั่นอย่างสิ้นเชิงไม่ได้แต่ว่าทํายังไงจะสามารถลดละบรรเทาให้จางให้คลายให้สงบให้ใหระ ง, งับลงไปได้ก็จะสามารถสัมผัสผ ล, ผลของความเจือจางเบาบางของกิเลสได้ตามที่ควรแก่การประฤฏิบัติต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสุขต่อไป